ในสังคมของผู้ปฏิบัติธรรมนี้จะมีบุคคลอยู่สี่จำพวกด้วยกันคือหนึ่งพวกที่ปฏิบัติง่ายและรู้เร็วคือมีกิเลสบางมีปัญญาที่ฉลาดแหลมคม กลุ่มที่สงคือพวกที่ปฏิบัติง่ายแต่รู้ช้าคือกิเลสบางแต่ปัญญาเึกไม่ฉลาดแลลมคมกลุ่มที่สามคือผู้ที่ปฏิบัติยากแต่รู้เร็วคือเป็นผู้ที่มีกิเลสหนาะ แต่มีมีปัญญาที่ฉลาดแหลมคมและสี่คือพวกที่ปฏิบัติยากและรู้ชา้าคือพวกที่มีกิเลสหนาปัญญาทึบนี่คือบุคคลสี่จำพวกในแวดวงของผู้ปฏิบัติธรรม พวกเราที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมย่อมอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี้ถ้าพิจารณาดูก็คงจะรู้ได้ว่าอยู่ในกลุ่มไหนแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนก็ตามก็จะบรรลุธรรมบรรลุมากผลนิพพาน ได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจะยากจะง่ายต่างกันจะเร็วหรือช้าต่างกันเท่านั้นเพราะอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติแต่ละท่านนี้มีไม่มากมีมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองจึงต้องมีความยากง่ายมีความช้าเร็ว ที่ต่างกันไปพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงในสติปัฏฐานสี่ไว้ว่าบางท่านก็จะสามารถบรรลุดได้ภายในเจ็ดวันบางท่านก็ต้องเจ็ดเดือนบางท่านก็ต้องเจ็ดปีเพราะอินรีย์ของแต่ละท่านนั้นไม่เท่าเทียมกันนั่นเอง ดังนั้นพวกเราผู้ปฏิบัตินั้นไม่ต้องกังวลกับการปฏิบัติของผู้อื่นว่าเขาจะปฏิบัติง่ายหรือปฏิบัติยากกว่าเราเขาจะรู้เร็วหรือรู้ช้าวกว่าเราอันนี้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีอย่าไปแข่งกับผู้อื่นให้แข่งกับตัวเราเอง ถ้าเราปฏิบัติยากเราก็ต้องเพียรให้มากเพื่อที่จะทําให้มันง่ายขึ้นถ้าเรารู้ช้าเพราะปัญญาทึุเราก็ต้องฝึกฝนอบรมปัญญาของเราขึ้นมาให้มากบา้าให้มีปัญญาที่ฉลาดแหลมคมบุคคลที่ ปฏิบัติง่ายและรู้เร็วนี้ก็เพราะว่ากิเลสตัณหาน้อยกิเลสตัณหาไม่มาต่อต้านเวลาจะทำจิตให้สงบก็ทำให้จิตสงบได้อย่างง่ายดายและพอออกจากสมาธิมาก็ารู้จักเจริญปัญญารู้จักพิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตา รู้ว่าอนิจจังเป็นอย่างไรรู้ว่าทุกขังเกิดจากอะไรทุกขังก็เกิดจากตัณหาความอยากการที่จะทำให้ไม่มีทุกข์ก็ต้องละตัณหาการที่จะละตัณหาได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นตายรักเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นอสุภะ เห็นปฏิกลุ่นี่คือผู้ที่ฉลาดแหลมคมจะรู้เหตุรู้ผลของความทุกข์และของการดับทุกข์ว่าทุกข์เกิดขึ้นจากอะไรและจะดับดับความทุกข์ได้ด้วยอะไรก็ต้องดับด้วยอันนี้จังดับด้วยอนัตตาดับด้วยอสุภะ ดับด้วยอาหารเลปฏิกูลสัญญาผู้ที่บําเพ็ญเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็จะพิจารณาตายรักพิจารณาอสุภพิจารณาอาหารเลปฏิกูลอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้นําเอามากําจัดตัณหาชนิดต่างๆเวลาที่เกิดขึ้นมา ตัญหาก็ไม่ได้มีชนิดเดียวปัญญาที่ต้องแก้ตัญหาก็ต้องมีหลายรูปแบบด้วยกันบางทีก็ต้องพิจารณาอนิจจังถึงจะละตัญหาได้บางทีก็ต้องพิจารณาอนัตตาถึงจะละตัญหาได้บางทีก็ต้องพิจารณาอสุภะถึงจะละตัญหาได้ บางทีก็ต้องพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลยสัญญาเพื่อที่จะละตัณหาได้เพราะตัณหาแต่ละชนิดนี้ต้องใช้ปัญญาแต่ละชนิดม า, มาแก้กันนั่นเองเช่นถ้าเกิดความอยากรับประทานอาหารก็ต้องใช้การพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลยสัญญาถ้าเกิดกามารมณ์อยากจะเสกกาม ก็ต้องพิจารณาอสุภะถ้าอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคล น, นี้อยากให้เวทนาทุกเขเวทนาหายไปดับไปก็ต้องพิจารณาอนัตตาว่าเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เวทนาเขาก็ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็เป็นสุขขเวทนาบางทีก็เป็นทุกขเวทนาบางทีก็เป็นไม่สุขไม่ทุกขเวทนาจะไปสั่งให้เขาสุขขเวทนาอย่างเดียวไม่ได้เวลาเขาเป็นอย่างไรก็ต้องสอนใจให้เห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่เราไป สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เราสั่งได้ห้ามได้ก็คือใจของเราให้ไม่ให้ตัดให้ละตันหาความอยากให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเราตัดเวทตัดตันหาความอยากได้เพราะเห็นว่าอยากไปก็ทุกไปเปล่าๆไม่เลยไปเปลี่ยนเวทนาให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ เราก็จะหยุดตันหาความอยากให้เวทนาเป็นแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวเราก็จะหัดทําใจให้อยู่กับทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะต้องเผชิญกับเวทนาทั้งสามนี้บางเวลาก็ต้องเจอสุขเวทนาบางเวลาก็ต้องเจอทุกขเวทนา บางเวลาก็ต้องเจอไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเวทนามาแบบไหนเราก็เบเราก็แบบเดิมคือเราเป็นอุเบกขาปล่อยวางสับแต่ว่ารู้ไม่ได้อยากให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่ก็คือการใช้อนัตตาพิจารณาก็จะหยุดตัณหาความอยากได้ถ้าเรา ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงชอบให้ทุกสิ่งทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมเราก็ต้องพิจารณาอานิจจาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้าเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยมีเกิดมีดับนี่ มีเจริญมีเสื่อมก็ต้องพิจารณาอานิจจังแล้วเราก็จะหยุดตัณหาความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอยู่เหมือนเดิมอเช่นร่ำรวยก็ขอให้ร่ำรวยเหมือนเดิมมีความสุขก็อยากจะให้มีความสุขเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่หมดไม่สิ้นถ้าเราคิดอย่างนี้ก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมา ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ผ, ผู้ปฏิบัติที่มีปัญญาจะรู้ว่าการใช้ปัญญานี้มีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อหยุดตัณหาความอยากต่างๆเพื่อจะได้ดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตัณหาต่างๆเหล่านี้นั่นเองผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่ฉลาดแหลมคมบางทีปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติเพื่ออะไร เป้าหมายของการปฏิบัติอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ปฏิบัติแบบคําทางไปนั่งสมาธิก็ไม่รู้ว่านั่งไปเพื่ออะไรบางทีนั่งไปแล้วก็คิดว่าต้องเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิมิตต่างๆมีอภิน ญ, ญามีความสามารถหเหาะเฮินเดินอากาศอะไรต่างๆ เหล่านี้อันนี้ก็แสดงว่าปัญญาทึบปฏิบัติแบบไม่รู้เป้าหมายของการปฏิบัติว่าปฏิบัติเพื่ออะไรกันแน่ที่กิเลสหนาก็คือปฏิบัติยากจะให้รักษาศีลไปก็รู้สึกว่ายากจะให้ไปเปวิกเว้อยู่คนเดียวก็รู้สึกว่ายากจะให้เดินจงกรมนั่งสมาธิ ควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ายากเวลาเกิดความง่วงเหงาเหานอนต้องใช้วิธีการอดอาหารหรือการไปอยู่ที่น่ากลัวก็รู้สึกว่ายากทำอะไรรู้สึกว่ายากไปหมดพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกกิเลสหนาะพวกที่กิเลสบางนี้ รักษาศีลแปดก็รู้สึกว่าง่ายให้ไปเปริกเวเวกอยู่คนเดียวในป่าเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าง่ายให้อุดอาหารเพื่อแก้นี้วอนก็รู้สึกว่าง่ายทำอะไรนี้รู้สึกว่าง่ายไปหมดไม่มีอะไรยากเย็นเลยนี่แสดงว่ามีกิเลสบางกิเลสคือกามฉชันทะเลี่ยน้อยหนี้วอนน้อย กเกเกนิวรก็คือเกลเลกที่มาทำให้การปฏิบัติ n ี้มันยากเช่นความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ผลอย่างที่อย่างได้อย่างที่ได้ยินได้ฟังมาหรือไม่ถ้ามีความลังเลสงสัยก็จะไม่กล้าทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติ นี่คือเรื่องของผู้มีกิเลสหนาหรือบางปัญญาทึบหลือฉลาดแหลมคมเป็นตัวที่ทำให้การปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินี้เป็นสี่ชนิดไปปัญญาอ่กิเลสบางปัญญาแหลมคมก็จะปฏิบัติง่ายรู้เร็ว กิเลสบางปัญญาทึกก็ปฏิบัติง่ายแต่รู้ชา้าเช่นไปภาวนาก็ออกภาวนาได้ง่ายนั่งสมาธิก็นั่งได้ง่ายแต่พอได้สมาธิแล้วออกจากสมาธิมาไม่รู้จักวิธีเจริญปัญญาไม่รู้ว่าการพิจารณานิจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอย่างไรถึงจะเห็นว่าเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภาพ เพื่ออะไรพิจารณาอาหารใปฏิปุสัญญาเพื่ออะไรเอาไปใช้ตอนไหนเวลาไหนไม่รู้ไม่ฉลาดพอที่จะเข้าเข้าใจต้องคอยถามต้องให้มีคนคอยบอกอยู่เรื่อยๆถึงเข้าใจถ้าไม่มีคนสอนคนบอกนี้ก็จะติดไปไม่ได้ จะติดอยู่ในขั้นสมาธิออกทางปัญญาก็พิจารณาไม่เป็นนี่คือลักษณะของผู้ที่ปัญญาไม่แหลมคมไม่รู้เหตุไม่รู้ผลของการบาเพ็ญว่าจเจริญอสุภะเพื่ออะไรจะเจริญอนิจจังเพื่ออะไรจะเจริญทุกขังเพื่ออะไรจะเจริญอนัส ต, ตาเพื่ออะไร เจริญอาหารเลยปฏิกูลและสัญญาเพื่ออะไรพอไม่เข้าใจก็เลยไม่รู้ว่าจะเจริญไปทำไมนี่คือเรื่องของการที่มีกิเลสบางแต่ปัญญาไม่แหลมคมปัญญาทึกได้สมาธิง่ายแต่ออกทางปัญญาไม่เป็นสมาธินี้ไม่สามารถทำให้บรรลุธรรมได้ ต้องมีปัญญาการบรรลุธรรมก็ไม่รู้บรรลุการบรรลุธรรมนี้บรรลุอย่างไรผู้ที่มีปัญญาจะรู้ว่าการบรรลุธรรมก็คือต้องรู้อริยสัจสี่ต้องเห็นทุกข์ที่เกิดจากตัณหาและเห็นการดับของความทุกข์ที่เกิดจากปัญญาที่ไปละตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ ให้หมดไปได้ถึงจะเรียกว่าเห็นธรรมบรรลุธรรมนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องอพบะจะต้องเจอบางคนก็ไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วบางทีไม่ต้องนั่งสมาธิเลยไม่ต้องปฏิบัติธรรมเลย เพียงแต่ประกาบทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทรงสแสดงทำให้ฝังเพียงสั้นๆก็บรรลุได้แล้วออนี่สแสดงว่ากิเลสบางปัญญาแหลมคมพอทรงตัดสอนแบบง่ายๆสั้นๆ เ, ออเธอเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็สักแต่ว่ารูเออ้เท่านี้ก็บรรลุธรรมได้ นี่คือลักษณะของผู้ที่มีปัญญาที่ฉลาดแหลาคมกิเลสที่เบาบางส่วนพวกที่มีกิเลสหนาะปัญญาทึกนี่เป็นพวกที่ปฏิบัติก็ยากแสนยากะจะให้รักษาศีลแปดก็รู้สึกว่ายากะจะให้ออกบวชก็ยิ่งรู้สึกว่ายากใหญ่จะให้ไปเปริกเว่ย บาเพ็ญจิตตะภาวนาอยู่ตามลำพังก็รู้สึกว่ายากให้ไปอยู่ที่น่ากลัวก็กลัวไปหมดให้อดอาหารเพื่อกระตุ้นความเพียงเพื่อกำจัดนิวรนความง่วงเหงาหานอนก็รู้สึกว่าโหดรู้สึกว่ามันสุดโตงเกินไปนี่คือลักษณะของพวกที่ มีกิเลสนะปัญญาทึบก็คือไม่รู้ว่าอารยาิยสัจสีนี้มีความสําคัญอย่างไรการพิจารณาอานิจจ์ความไม่เที่ยงนี้มีความสําคัญอย่างไรการพิจารณาอนัตตาการพิจารณาอสุภาษการพิจารณาอาหารเลยปฏิกลูลสัญญาว่ามีความสําคัญอย่างไร การพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณาอาการสามสิบสองของร่างกายเนี่ยว่าพิจารณาไปเพื่ออะไรได้ประโยชน์อย่างไรอันนี้ถ้าไม่รู้ก็จะไม่อยากจะพิจารณาแต่ผู้ที่มีปัญญารู้ว่าถ้าพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วจะละตัณหาต่างๆได้จะละกามตัณหาได้จะละ ภาวะตันหาได้จะละวิภวะตันหาได้จะบรรลุมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งได้ด้วยการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอาหาเลยปฏิกูลุสัญญาพิจารณาอสุภะพิจารณาธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟพิทยาพิจารณาอาการสามสบสองของร่างกาย เพื่อให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตน ม, ม, มีแต่ส่วนมีแต่อาการสามสิบสองคือผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นค้นคว้าในร่างกายแยกออกมาแต่ละชิ้นแต่ละอันก็จะไม่เห็นว่ามีตัวมีตนอยู่ในร่างกายนี้เลยโลตนนี้ออกมาจากอาวิชชาโมหะความหลง ที่มีฝังอยู่ในใจที่หลอกให้ใจไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนเนราะมีตัวมีตนมีของตนก็มีตัณหาตามมามีความอยากให้ของที่เป็นของตนเป็นตัวตนนี้อยู่ไปนานๆก็ขัดหลักของความจริงก็คือหลักอนิจจัง ของทุกอยาก scream, ่างมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดก็ต้องมีดับขัตหลักของอนัตตาคือไม่มีใครไปสั่งไปห้ามไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไปห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ได้ไปห้ามร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ไปห้ามร่างกายไม่ให้ตายไม่ได้ไปห้ามร่างกายของคนอื่น ไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามสภาพของเขาตามความเป็นจริงของเขาคือเป็นอนิจจมีเจริญมีเสื่อมไปมีเกิดมีดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาคือไม่มีใครที่จะมายับยัง้งมาเปลี่ยนแปลงความจริงเหล่านี้ได้ ผู้ที่มีปัญญาพิจารณาก็จะไม่มีความอยากให้เป็นอย่างอื่นเมื่อไม่มีความอยากให้เป็นอย่างอื่นความทุกข์ก็จะไม่เกิดเวลาที่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปใจก็จะสักแต่ว่ารู้เฉยๆไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายการปฏิบัตินี้ไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อมา รักษาร่างกายให้อยู่ไปไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ตายไปการปฏิบัินี้เพื่อมารักษาใจไม่ให้ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ใจมาเกี่ยวข้องมาครอบครองเป็นเจ้าของช่วยชั่วคราวเท่านั้นเองให้สอนใจให้เตือนใจว่าสมบัติทุกชิ้นทุกอันนี้เป็นสมบัติชั่วคราว เป็นสิ่งที่จะต้องมีการพัดภากจากกันไปในที่สุดเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีขึ้นบ้างมีลงบ้างมีเจริญบ้างมีเสื่อมบ้างเช่นถ้ามีลาบยศสารเสริญมีความส่งทางต า, งางหูจมูกร่างกายก็ต้องรู้ว่ามันไม่แทงเที่ยงแท้แน่นอนไม่คงเส้นคงวาไม่ไม่เจริญเพียงอย่างเดียว มีเสริมอยู่ด้วยสลับกันไปมีการเจริญลาบก็ต้องมีการเสริมลาบเป็นธรรมดามีการเจริญยศก็มีการเสริมยศเป็นธรรมดามีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาเป็นธรรมดามีสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีทุกทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นธรรมดาถ้าตาบใดยังมีอุปทาน มีความอยากในลาบยศ ส, สรรสิญสุขอยู่ก็จะต้องพบกับความทุกข์เวลาที่ลาบยศ ส, สรรสิญสุขนั้นเปลี่ยนไปเสื่อมไปถ้าไม่อยากที่จะทุกข์กับลาบยศ ส, สรรสิญสุขก็ต้องไม่มีความอยากให้ลาบยศ ส, สรรสิญสุขนั้นไม่เปลี่ยนแปลงให้เจริญเพียงอย่างเดียวไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเพราะมัน ขัดกับหลักความจริงที่เรียกว่าอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาผู้ที่รู้ความจริงอันนี้ก็จะไม่มีอุปทานไม่มีความอยากในราบยศสารเสริญสุขคือไม่ยึดไม่ติดกับความสุขไม่ยึดไม่ติดกับราบยศสารเสริญ เพราะรู้ว่าจะต้องมีวันที่จะต้องพัดภาคจากกันไปไม่ช้าก็เร็วก็จะไม่มีความอยากให้ลาบยศสารเสริญสุขนี้เที่ยงแท้แน่นอนถาวรใจก็จะไม่ทุกเวลาที่เกิดการพัดภาคจากลาบยศสารเสริญสุขไปนี่คือการมีปัญญาปัญญานี้ต้องเกิดจาก การได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นถ้าไม่รู้ด้วยตนเองมาก่อนก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นและปัญญาทางพระพุทธศาสนานี้ก็จะไม่มีใครรู้ในโลกนี้นอกจากพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกไม่มีใครรู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตามีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระองค์แรก ที่สรงรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครรู้เรื่องของพระอริยสัจสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมากเพวกเรานี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนพวกเราเราจะไม่รู้จักอนิจจังทุกขงกังอนัตตาเราจะไม่รู้จักอริยสัจสี่ทุกขสมุทัยนิโรธมกากนั้นปัญญา เชื่อที่จะนาพาให้เราหลุดพ้นจากกองทุกนี้จะมีได้ในแห่งเดียวเท่านั้นก็คือในพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นนี้จะไม่มีคำสอนเหล่านี้อยู่จะมีก็ไม่ครบขบวนการเช่นมีคำสอนเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายทุกศาสนาก็สอนว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายกัน แต่ไม่มีใครสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือแนมะ้แนะนะนะละและร่างกายที่จะต้องตายไปนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่เราไปยึดไปติดไปหลงว่าเป็นตัวเราของเราเท่านั้นมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สามารถจะสอนพวกเราให้เห็นว่าร่างกายนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นทํามาจากดินน้ำลมไฟไม่ได้เป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติชั่วคราวของจิตแต่ละดวงที่มาครอบครองแล้วในที่สุดก็จะต้องสูญเสียไปเพราะธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟจะต้องแยกทางกันจะต้องแยกออกจากกันไม่ช้าก็เร็วเพราะธาตุทั้งสี่นี้จะไม่อยู่รวมกันไปตลอด ธาตุทั้งสี่จะแยกกลับไปรวมอยู่กับธาตุเดิมของเขาน้ำก็จะแยกกลับไปอยู่กับน้ำลมก็จะกลับไปกับลมไปอยู่กับลมดินก็จะกลับไปอยู่กับดินไฟก็จะกลับไปอยู่กับไฟที่มารวมกันนี้ก็เพราะอํานาจของตันหาความอยากของโมหะอวิชชาที่ดึงเอาธาตุทั้งสี่มารวมกันให้มาปรากฏเป็นร่างกายขึ้นมานี้ หรือเป็นการรวมกันของธรรมชาติเช่นเวลาฝนตกลงมาบนดินดินได้น้ำก็จะทำให้มีต้นไม้ใบหญ้าเจริญงอกงามขึ้นมามีอากาศให้ต้นไม้ใบหญ้าไว้หายใจมีความร้อนที่จะรักษาให้การเจริญเติบโตอของต้นไม้ใบหญ้าเป็นไปได้ถ้าขาดความร้อน พืนผิวเป็นเป็นน้าแข็งไปการจเจริญเติบโตของต้นไม้ใบหญ้าก็เป็นไปไม่ได้ถ้าร้อนมากเกินไปก็จะทําให้ต้นไม้ใบหญ้าตายแห้งแร้งตายไปได้นี่เป็นเรื่องของกระบวนการของธาตุทั้งสี่เกิดดินน้ําลมไฟที่จะมีการประสานกันอยู่เรื่อยๆ เมื่อมีการประสานกันก็มีการเจริญเติบโตกันพอมีการแยกทางกันก็มีการเสื่อมไปนี่เป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟทั้งสี่ที่รวมไปถึงร่างกายของพวกเราทุกคนก็เป็นการประสานงานของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟมารวมกับรวมกันก็ทําให้เกิดอาการ32ขึ้นมา แล้วพอถึงเวลาที่ดินน้ำลมไฟจะเลิกประสานงานกันไม่มีความสามัคคีกันมีความแตกแยกกันน้ำก็จะแยกไปทางดินก็จะแยกไปทางลมก็จะแยกไปทางไฟก็จะแยกไปทางร่างกายที่มีอาการสามสิบสองก็จะอันตรธานหายไปร่างกายของคนที่มาเกิดในโลกนี้ ก่อนหน้าพวกเรานี้ที่ตายไปหมดแล้วนี้กลายเป็นอะไรไปหมดเหลือแต่ซากของกระดูกที่ฝังไว้ในดินเท่านั้นเองเหรือไม่ฉะนั้นถ้าเอาไปเผาก็เหลือแต่เศษขี้เถ้ากับเศษกระดูกก็เป็นธาตุดินดีๆนี่เองนี่คือเรื่องของอสิ่งต่างๆในโลกนี้มีการรวมตัวกันแล้วก็มีการแยกกัน มีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมมีการเกิดแล้วก็มีการดับจิตที่ไม่มีความรู้ความฉลาดไม่มีปัญญาพอได้อะไรมาก็จะหลงคิดว่าเป็นตัวตนเป็นของตนแล้วก็จะเกิดอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นความอยากให้ของที่เป็นของตนนี้อยู่กับตนไปนา น, น, าน ดีเป็นนานาไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันสิ้นพอเวลาเกิดการเสื่อมเกิดการสูญเสียก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะมีเพราะมันเพรามีความอยากไม่ให้สูญ น, นั่นเองแต่ถ้ามีปัญญาคอยสอนใจว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจได้มาครอบครองนี้จะต้องมีการเสื่อมมีการหมดไป จะต้องมีการพัดภาคจากกันไปในที่สุดถ้าสอนอยู่เรื่อยๆใจก็จะหักห้ามอุปทานความยึดติดไม่ยึดไม่ติดเตรียมตัวที่จะให้ของทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มานี้จากตนเองไปเพราะเป็นความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นความอยากให้สิ่งต่างๆอยู่กับตนไปนม่นานไม่พัดภาคจากกันก็จะหายไป พอไม่มีความอยากภายในใจความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นมานี่คือเรื่องของปัญญาปัญญาเท่านั้นที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้ทำอย่างอื่นชนิดอื่นนี้ดับไม่ได้ถ้าดับก็ดับได้เพียงชั่วคราวไม่ถาวรเช่นสติหรือสมาธินี้เวลามีสติ ใจก็จะไม่คิดไปในทางตัณหาความอยากความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดแต่เวลาได้เผลอสติปล่อยให้ใจคิดไปด้วยเปื่อยเดี๋ยวใจก็จะคิดไปในทางความอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือเวลาทำใจให้สงบเข้าสู่อปปนาสมาธิสัจธรรมรู้ตอนนั้นตัณหาความอยากก็หยุดทำงาน แต่ไม่ได้ตายด้วยกำลังของสมาธิต้องหยุดทำงานเพราะกาลังของสมาธินี้ดับหรือว่าทับเอาไว้เหมือนหินทับหญ้าทับไม่ให้กิเลสตัณหาออกมาแสดงตัวแต่เวลาออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาก็จะออกมาทำงานต่อไปได้ ถ้าไม่ใช้สติยับยั้งก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าใช้สติก็ยับยั้งได้ชั่วเวลาที่มีสติเท่านั้นพอเวลาไม่มีสติเผลอสติความอยากก็จะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้ความทุกข์นี้หายไป ให้ความอยากนี่หายไปอย่างท้าวรต้องใช้ปัญญาเท่านั้นอันหาความอยากนี้กลัวอันนี้จังทุกขังอนัตตากลัวอสุภะกลัวอาหารไรปฏิกูลสัญญาเช่นอยากจะรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีเวลาเช่นพวกที่ถือศีลแปดหรือฉันนื่รับประทานนือเดียวหรืออดอาหารนี ถ้าไม่มีอาหารเลปฏิกริสัญญานี้จะทุกข์ทรมานมากเพราะเวลาเผลอสติใจไปคิดปรุงแต่งถึงอาหารก็จะเกิดความหิวขึ้นมาอย่างรุนแรงแต่ถ้ามีอาหารในปฏิกูลสัญญามาคอยละคอยรงับคอยดับตันหาความอยากความทุกข์ทรมานใจเกิดที่เกิดจากความหิวความอยากก็จะหายไป นี่คือหน้าที่ของปัญญาเราจะหายไปอย่างถาวรต่อไปจะอดข้าวกี่วันก็ไม่รู้สึกหิวทางใจถ้าจะหิวก็หิวทางร่างกายร่างกายก็มีความอิดโรยมีความมีการเหมือนกับว่ามีการความรู้สึกขาดอาหารอย่างนั้น แต่ไม่ได้หิวโหยเหมือนกับความหิวโหยทางด้านจิตใจความหิวทางร่างกายนี้มีน้ำหนักเพียงรอยละสิบเมื่อเปรียบเทียบ ก, กับความหิวโหยทางจิตใจนี้มีน้ำหนักร้อยละเก้าสิบเวลาที่ดับความหิวโหยทางจิตใจได้แล้วความหิวโหยทางร่างกายร้อยละสิบนี้จะไม่มากระทบกระเทือนใจเหมือนกับความหิวโหยของทางจิตใจ ผู้ที่มีสมาธิผู้ที่สามารถเร่มมีปัญญาที่ดับตันหาความอยากในการรับประทานอาหารได้จะไม่ค่อยเดือดร้อนกับเรื่องการอดอยากขาดแคลนทางอาหารอดมือ้อกินมือ้ออดที่ละหลายวันก็จะไม่เดือดร้อนใจเพราะมีอาหารในปฏิกูลสัญญามาคอยดับตันหาความอยาก ทุกครั้งที่คิดถึงอาหารก็จะให้คิดถึงอาหารที่อยู่ในปากที่อยู่ในท้องหรือที่ถ่ายออกมาจากร่างกายพอเห็นสภาพของอาหารเหล่านั้นแลวความอยากรับประทานอาหารก็จะหายไปนี่คือต้องดับด้วยปัญญาเท่านั้นถึงจะดับได้อย่างท้าวอการอารมณ์ก็เช่นเดียวกันถ้าอยู่ในสมาธิจิตสงบจะไม่มีการอารมณ์ แต่พอออกจากสมาธิมาให้ปล่อยให้จิตไปคิดถึงเรื่องสวยๆงามๆก็จะทำให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาได้ถ้าไม่มีอสุภะมายับยังก็จะไม่สามารถที่จะระ ง, งับการอารมณ์ดับการอารมณ์ให้หายไปได้อย่างถาวรถ้าใช้สติก็ดับชั่วขณะที่มีสติเช่นเวลาที่ เกิดการอารมณ์ก็ใช้การพอบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือการดูอาการสาสบสองไปก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกถ้าจเจริญไปก็จะทําให้การอารมณ์นั้นหายไปถ้าใช้พุทโธก็จะเป็นสติถ้าใช้อาการสาสสองก็จะเป็นปัญญาเพราะเป็นอสุภะ เหนอาการ32ก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามอย่างที่ได้คิดเอาไว้ที่กิเลสหลอกให้คิดคิดแต่ส่วนที่สวยๆงามๆผมที่ดำผิวหนังที่เต่งงที่ขาวเนียนแต่ถ้าไปดูผิวหนังที่เยื่อหย่อนที่เหี่ยวแห้งดูผมที่ขาวที่งอกถ้าเห็นในส่วนที่ไม่สวยไม่งาม ก็จะสามารถดับการมลลมได้แล้วจะดับได้อย่างถาวรเพราะว่าทุกครั้งที่คิดถึงร่างกายก็จะไม่คิดถึงความสวยความงามจะคิดแต่ความไม่สวยไม่งามของร่างกายเป็นนิสัยไปถ้าคิดเป็นนิสัยแล้วการมลลมจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรที่การมารมเกิดขึ้นมาได้เพราะยังคิดว่าสวยว่างามเป็นนิสัยอยู่นั่นเองเห็นร่างกายั้งใครมักจะ เห็นว่าสวยว่างามไม่เคยเห็นว่าไม่สวยไม่งามไม่เคยเห็นตอนแก่ว่าเป็นอย่างไรตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรตอนที่ตายไปเป็นอย่างไรไม่เคยเห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังของร่างกายนี้พาะไม่เคยพิจารณาไม่เคยสอนให้ดูแบบนั้นนั่นเองก็จะดูแต่แบบสวยแบบงามเพียงอย่างเดียว พอเห็นแบบสวยแบบงามก็จะเกิดกามารมณ์ขึ้นมาก็ต้องใช้พยายามต้องออกต้องพยายามเจริญอสุภะอยู่เรื่อยๆพิจารณาสวนกระแสของกิเลสตัณหาที่จะคิดแต่สวยๆงามๆให้ดูแต่ของไม่สวยไม่งามบ้างให้ดูในส่วนที่ไม่สวยไม่งามบ้างอยู่ในร่างกายอันเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าจะดูจะดูด้านไหนทันเอง เหมือนกับเหรียญนี้ก็มีอยู่สองด้านมีทั้งหัวมีทั้งก้อยแต่ถ้ามองแต่ก้อยหลังเดียวก็คิดว่าเหรียญนี้จะมีแต่ก้อยเท่านั้นไม่มีหัวเพราะไม่เคยเห็นหัวมันไม่เคยเห็นด้านที่เป็นหัวก็เลยคิดว่าเหรียญนี้มีเพียงก้อยทั้งสองด้านแต่พอพลิกขึ้นมาถึงจะรู้ว่ า, อ, าอีกด้านหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ยันใดร่างกาย ก็มีทั้งด้านที่สวยที่งามและด้านที่ไม่สวยไม่งามแต่จิตถูกกิเลสตัณหาสอนให้เห็นแต่ด้านที่สวยที่งามจึงทำให้เกิดการอารมณ์อยู่เรื่อยๆและพอเกิดการอารมณ์ก็ต้องไปเสกกลามก็ต้องไปมีคู่ครองพอมีคู่ครองไปเสกกลามก็ต้องมีบุตรมีธิดาตามออกมามีกองทุกขมาแบกเพิ่มขึ้น ความทุกข์ของตนเองคือขันห้าของตนเองก็นหนักพอควรอยู่แล้วแล้วไปเอาแบบขันห้าของสามีของภรรยามาเพิ่มอีกของบุตรของที่ดามาเพิ่มอีกความทุกข์มันก็จะทวีคูณขึ้นไปเพราะไม่ได้เจริญอสุภะ ไ, ไม่กล้าเจริญหรือไม่อยากเจริญเห็นคนที่เจริญอสุภะกลายเป็นคนวิปลิตไปนี่คือ คนที่คนที่มีความหลงที่คิดว่าการมีร่างกายสวยสวยงามงามมาเป็นสมบัติไว้ครอบครองนี้เป็นสุขนั่นเองคนที่หาแฟนสวยๆหน้าตาสวยๆหล่อเหลามาเป็นแฟนก็เพราะคิดว่าจะได้มีความสุขได้ขึ้นสวรรค์กับแฟนแต่มองไม่เห็นความทุกข์ที่เป็นรางวัลที่จะตามมา ความทุกข์ที่เกิดจากความรักความหวงความห่วงใหญยความเศร้าโศกเสียใจเวลาที่จะต้องสูญเสียต้องพัดพากจากกันไปภาร ะ, ะที่จะต้องคอยดูแลกันเลี้ยงดูกันไม่เห็นความทุกข์เหล่านี้เห็นความสุขชั่วประดิวประดาวที่เกิดจากการได้ร่วมหลับนอนกันเท่านั้นเองนี่คือเรื่องของผู้ที่ขาดปัญญา ผู้ที่ไม่พิจารณาอสุภะผู้ที่เห็นว่าการพิจารณาอสุภะนี้เป็นพวกวิปลิตเป็นพวกที่พวกบ้าก็ว่าได้นี่คือทัศนคติของคนสองด้านของคนทางโลกกับของทางธรรมนี้จะสวนทางกันคนทางโลกนี้จะ มองแต่ความเจริญมองแต่ความสวยความงามเพียงด้านเดียวเพราะถ้าเขาไปเห็นความเสื่อมเห็นความไม่สวยไม่งามเขาก็จะหมดกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะอยู่ในโลกนี้ถ้าต้องอยู่กับของที่จะต้องตายถ้าเจ้า อ, อยู่กับของที่จะไม่สวยไม่งามจะอยู่ไปทำไมแต่เขาไม่รู้ว่าการมองแบบนี้นั้นจะทำให้จิตของเขานั้นถอนออกจากความหลง ไปยึดไปติดกับกองทุกขของสิ่งต่างๆที่ว่าสวยว่างามที่ว่าจะให้ความสุขแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็เป็นความทุกข์เป็นส่วนใหญ่เขาไม่รู้ว่าการมองความไม่เที่ยงการมองความไม่สวยไม่งามของสิ่งต่างๆนี้จะปลดเปื้องจิตใจของเขาให้หลุดออกจากความทุกข์ที่เขาต้องแบกอยู่มาเป็นเวลาอันยาวนาน มาเกิดแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องมาทุกแต่ละภพแต่ละชาติตายไปแล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่มาแบกใหม่อยู่เรื่อยๆเขาไม่รู้ว่ามีวิธีออกจากกองทุกเหล่านี้ได้ต้องให้เขาได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคำสอนแล้วถ้าเขาเป็นคนที่เป็นคนที่ใจกว้างยินดีที่จะฟังสิ่งที่ ถึงแม้วจะรู้สึกขัดกับความรู้สึกของตนก็ยินดีที่ฟังฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็น้อมนาเอามาลองปฏิบัติดูก็จะเห็นความแตกต่างของจิตใจเห็นความทุกข์ที่มีอยู่นั้นเบาบางลงไปเห็นความสุขที่เกิดขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ได้เพิ่มปริมาณของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแต่เพิ่ม ปัญญาความรู้ความเห็นที่ถูกต้องให้มาสอนใจให้ละความโลภความอยากต่างๆให้เบาบางลงไปถ้าเขามีจิตใจที่เป็นกลางไม่มีอคติยินดีฟังสิ่งที่ตนอาจจะไม่ชอบฟังเช่นฟังเรื่องของการพิจารณาความเสื่อมของลาบยศรร ส, สุขนี้ คนที่มีความหลงมากๆนี้จะไม่ชอบฟังจะไม่อยากฟังเวลามีความเสื่อมนี้มักจะไปหาหมอดูเพื่อให้หมอดูสอนวิธีแก้กความเสื่อมเหล่านี้ว่าทาอย่างไรตอนนี้กิจการไม่ดีเลยรายได้ไม่ดีชีวิตวุ่นวายมีเรื่องมีราวมากมายมักจะไปพึ่งหมอดูกัน หมอดูก็เป็นหมอเดาหรือเหมือนคนตาบอดบอกคนตาบอดนั่นแหละถ้าไปหาพระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนให้เราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมีเจริญก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราไม่ได้เป็นกับเราเพียงคนเดียวเป็นกับทุกๆคนใครที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครไม่เจอความเสื่อมกันไม่มีใครไม่เจอความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อม เกิดจากความอยากไม่ให้เสื่อมกันทั้งนั้นออ่เราสามารถที่จะไม่ทุกข์กับความเสื่อมนั้นได้เพราะเหตุที่ทำให้เราทุกข์นั้นไม่ใช่เป็นความเสื่อมเหตุที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากไม่ให้มันเสือ่อมบางทีมันไม่มันยังไม่เสื่อมเลยก็ทุกข์ไปซะก่อนก็มีกลัวมันจะเสือ่อม เห็นคนอื่นเขาเสื่อมบริษัทของตนเองยังมั่นคงอยู่ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วกลัวจะเสื่อมเหมือนบริษัทอื่นขึ้นมาเพราะความอยากไม่ให้มันเสื่อมนั่นเองความอยากให้ไม่ให้สิ่งต่างๆเสื่อมนี่แหละเป็นตัวเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจถ้ามีปัญญาที่สอนใจว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมไม่มีใคร หลีกเลี่ยงได้จะเสื่อมเวลาไหนเท่านั้นเองแต่ใจจะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากไม่ให้เสื่อมเพราะใจเห็นว่าห้ามมันไม่ได้ห้ามความเสื่อมมันไม่ได้ไม่ช้า ก, ก็เร็วมันก็ต้องเสื่อมมันไม่เสื่อมจากเราไปเราก็เสื่อมจากมันไปถ้าเห็นอย่างนี้แล้วยอมยอมรับความจริงก็จะหยุดความอยากได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความเสื่อม จาเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้ามีความอยากไม่เสื่อมแม้ขณะที่ยังไม่เกิดขึ้นเพียงแต่เห็นผู้อื่นเขาเสื่อมใจเองก็ทุกข์ไปก่อนแล้วเช่นเวลาเห็นเพื่อนตายเห็นญาติพี่น้องตายไปตนเองยังไม่ทันตายไปเลยตอนเองก็ทุกข์ไปก่อนแล้วทุกข์ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายเหมือนเขานะกลัวตายไม่อยากตายกัน ความตายไม่ได้ทำให้ใจทุกข์ความเสื่อมไม่ได้ทำให้ใจทุกข์แต่ความอยากไม่ตายอยากไม่เสื่อมต่างหากที่ทำให้ใจทุกข์ถใจจะไม่ทุกข์ก็ต่อเมื่อมีคนมาสอนให้พิจารณาความเสื่อมความตายอยู่เรื่อยๆให้ใจรับกับความเสื่อมกับความตาย <S <S <อ>เพื่อจะได้ไม่ต่อต้านไม่มีความอยากไม่เสื่อมไม่ตายนั้นเท่า น, นั้นพอยอมรับความจริงได้ ก็จะไม่ต่อต้านจะไม่มีความอยากไม่เสื่อมอยากไม่ตายใจก็จะสงบใจก็จะสบายไม่ว่าจะอะไรจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะตายหรือไม่ตายก็ไม่เป็นปัญหากับใจนี่คือปัญญาที่จะเป็นตัวที่จะมาทำลายตัณหาความอยากและความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตัณหาเหล่านี้ได้ ไม่มีทมอันใดที่จะทำได้ปัญญาก็ต้องเกิดจากการได้ยินได้ฟังจากผู้ที่รู้มาก่อนเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่รู้เองเราก็ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สอนผู้บอกเมื่อท่านสอนแล้วเราก็เอามาสอนใจเราต่อด้วยการหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืม เวลาใดที่เราไม่พิจารณาเรามักจะหลงจะลืมจะไปคิดว่าจะอยู่ไปนานๆทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นของเราไปเรื่อยๆทันทีแต่ถ้าคิดอยู่เรื่อยๆความหลงก็จะหายไปถ้าคิดอยู่ตลอดเวลาจนไม่มีช่องว่างให้ความหลงโผล่ขึ้นมาได้ความอยากที่จะไม่ให้สิ่งต่างๆเสื่อมสิ่งต่างๆหมดไปก็จะไม่มีความทุกข์ภายในใจก็จะไม่มีนี่คือปัญญา ที่เราจะต้องพยายามสร้างกันขึ้นมาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเราออกมาจากสมาธินี้ใจจะพร้อมที่จะพิจารณาปัญญาถ้าใจไม่สงบใจจะไม่พร้อมเพราะกิเลสจะมาคอยต่อต้านนั่นเองกิเลสจะคอยดึงใจให้ไปคิดทางตรงกันข้ามกับทางปัญญา จะดึงให้ไปคิดถึงแต่ความเจริญคิดแต่ความสวยความงามแต่ถ้ากิเลสถูกตัดกำลังด้วยสมาธิเวลาจะดึงไปทางปัญญาก็จะไปได้อย่างง่ายได้แต่ต้องดึงไปถึงจะไปสมาธิไม่สามารถทำให้ปัญญาเกิดขึ้นมาเองได้โดยอัตโนมัติผู้ปฏิบัติจะต้องดึงใจให้ไปคิดทางปัญญาเท่านั้นถึงจะเกิดปัญญาได้ ไม่ใช่อยู่ๆพอได้สมาธิแล้วพอออกจากสมาธิมาแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมาแล้วนั่นเป็นความเข้าใจผิดนี่สมาธิเพียงแต่ตัดตัวที่จะมาคอยต่อต้านตัดกําลังของตัวที่จะมาต่อต้านให้เราเดึงใจไปคิดทางปัญญาเท่านั้นเองคือทําให้กําลังของกิเลสตัณหามันอ่อนกําลังลงไปเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆ ใ, ใจยังอิ่มใจยังสุขจากอุเบกขาอยู่ ก็ไม่หิวโหยกับรูปเสียงกลิดนด่นรสไม่หิวโหยกับความสวยสวยงามสิ่งที่สวยๆงามๆก็สามารถที่จะดึงมาคิดทางปัญญาไนดะ้คิดถึงความเสื่อมคิดถึงอสุภะความไม่สวยไม่งามได้ถ้าคิดบ่อยๆมันก็จะตกค้างอยู่ในใจมันก็จะจดจําอยู่ในใจพอมันอยู่ในใจแล้วมันก็จะไม่ลืมเวลาเกิดความอยาก ในสิ่งที่สวยงามมันก็จะคิดถึงความไม่สวยงามขึ้นมาแก้ทันทีเวลาคิดถึงความท้าวลมันก็จะคิดถึงอนิจจังขึ้นมาทันทีเวลามันคิดที่อยากจะควบคุมบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของใจมันก็จะคิดถึงอนัตตาขึ้นมาทันทีแล้วมันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ความทุกข์ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมานี่คือเรื่องของปัญญา ถ้าเป็นปัญญาทืบก็ต้องหมั่นพิจารณาให้มากพิจารณาอยู่เรื่อยๆออกจากสมาธิมาก็ต้องพิจารณาเลยหรือถ้าสามารถบังคับให้พิจารณาได้ทั้งโดยที่ยังไม่มีสมาธิก็ดีจะได้ใช้ปัญญาอบรมสมาธิไปก็ได้คิดไปในทางตายรักแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ขอให้คิดเท่านั้นเองขอให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาตายรักพิจารณาอสุภะพิจารณา ธาตุสี่พิจารณาการสามสิบสองพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาฮนี่เป็นธรรมเบื้องต้นนปัญญาเบื้องต้นปัญญาเบื้องสูงการ น, นี้มีอยู่แต่ยังไม่ใช่เวลาที่จะพิจารณาเอาขั้นของร่างกายนี้ให้มันได้ซะก่อนผ่านร่างกายแล้วค่อยไปว่าถึงเรื่องของกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจต่อไปอีกทีหนึ่งนี่คือเรื่องของการปฏิบัติ เรื่องของบุคคลสี่ประเภทที่มีอยู่ในกลุ่มของวงการของผู้ปฏิบัติคือพวกที่มีกิเลสบางปัญญาแหลาามคมเป็นพวกที่หนึ่งคือปฏิบัติง่ายรู้เร็วพวกที่มีกิเลสบางแต่ปัญญาทึบปฏิบัติง่ายแต่รู้ชา้าพวกที่มีกิเลสหนาะปัญญาปัญญาแหลาามคมก็คือ ปฏิบัติยากแต่รู้เร็วพอได้สมาธิแล้วก็ออกทางปัญญาได้เลยแล้วพวกที่สี่ก็คือพวกปฏิบัติยากและรู้ชา้าคือพวกที่มีกิเลสหนาปัญญาทึบก็จะต้องใช้เวลามากกว่าผู้อื่นแทนที่จะเป็นเจ็ดวันก็ต้องเป็นเจดปีไปพวกที่อยู่วงการก็ประมาณเจดเดือนมีแบ่งเป็นสามพวกพวกเจ็ดวันพวกเจ็ดเดือนและพวกเจ็ดปี เราจะเลือกอยู่ในกลุ่มไหนก็เหมือนเวลาที่เราไปเรียนหนังสือในในโรงเรียนใหญ่ๆเช่นที่มีห้องแบ่งเป็นหลายห้องมสามมสี่ทับหนึ่งมสี่ทับสองนี่เขาก็แบ่งไปตามระดับความรู้ความฉลาดของขอ ง, ของเด็กที่มาสอบเข้าโรงเรียนเขาจะดูคะแนนแล้วก็จะยา ก, ยากไปพวกนี้อยู่ห้องคิงพวกนี้อยู่ห้องควีนตอนนี้หัวเร็วปัญญาเร็วต้องอยู่ร่วมกัน เพราะต่เอาเด็กฉลาดกับเด็กโง่มารวมเรื่องกันเด็กโง่ก็ตามไม่ทันเดี๋ยวก็สอบตกหมดแล้วก็จะมาถ่วงพวกฉลาดเพราะจะต้องมาเสียเวลามาคอยอธิบายซ้ำๆซ า, ซากๆอยู่เรื่อยๆกว่าจะเข้าใจได้แต่พวกฉลาดนี้พูดถนเดียวก็เข้าใจเขาจึงต้องแยกข้องกันให้พวกฉลาดเรียนอยู่ร่วมกันพวกอัจฉริยะอยู่ร่วมกันพวกกิเลสบางปัญญาแหลมคมนี้อยู่กลุ่มหนึ่ง พวกกิเลสหนาปัญญาทึบนี่ต้องแยกไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ร่วมกันไม่ได้เดี๋ยวทําให้เสียเวลาพวกที่จะ ท, ท, ที่จะบรรลเจ็ดวันก็ต้บรรลุบรรลุเจ็ดปีกับพวกที่เหมือนปัญญาทึบ ก, กิเลสนาดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนขอให้เรามีความเพียรเป็นหลักกันแล้วกันให้มีศรัทธาเป็นตัวนํามีความเพียพรพยายามเป็นตัวผลักดันแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้บรรลุธรรม เช่นเดียวกันเมื่อบรรลุแล้วก็ไม่สําคัญว่าใครบรรลุก่อนบรรลุหลังเวลาไปรับปริญญาเขาก็ไม่ได้เขียนว่าใครบรรลุก่อนใครจบก่อนจบหลังได้ปริญญาแล้วก็ถือว่ามีสิทธิ์เท่ากันมีศักดิ์มีสีเท่ากันจบปีนี้หรือจบปีนั้นเวลาไปสมัครงานเขาก็ดูที่ปริญญาตีเป็นหลักมีความรู้เหมือนกันก็ใช้ได้บรรลุเป็นพระหรันวันนี้หรือพรุ่งนี้เหมือนก็เหมือนกันขอให้บรรลุเท่านั้นเอง จะบรรลุได้ก็ต้องมีศรัทธามีความเพียร น, นั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาธรรมที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อผลที่อันเลิศอันประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวหาปุราปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอ e ุปกปติอิชิตังปฏิต e ังตุมห um ังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปันาระโสยะถามณีโชติ ภรโสยะถาสพิติโยวิวัชฌานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาตนาสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนจตารโอธรรมวทานติอายุวโนสุขังภาลาง ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เลยอย่าถามหลังปิดไมค์ไปแล้วถ้าอยากจะถามก็ขอให้ถามตอนที่มีไมโครโฟนเปิดอยู่ถ้าปิดไมโครโฟนก็ถือว่ า, าปิดรับคำถามคำตอบอเชิญกล <c oughs> ับนักสแกนอาจารย์ครับวันนี้ผมมีสองคำถามครับคำถามแรก ปกติสภาวะของมนุษย์เนี่ยจะมีเวทนาทางกาย3อย่างสุขทุกข์เฉยๆในขั้นขั้นตอนที่เราจะทิ้งกายได้เนี่ยครับเรามีความจําเป็นไหยที่เราจะต้องมีสติปัญญาที่แก่รอบพอที่จะเห็นว่าร่างกายเราเนี่ยมีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่มีสุขไม่มีเฉยๆมีแต่ทุกข์ล้วนๆเพื่อที่จะปล่อยร่างกายเราได้ครับพระอาจารย์ก็ต้องปล่อยเวทนาทั้ง3ได้ไงเหมือนไม่ทุกข์ล้วนๆเนาะบางทีมันก็ทุกข์บางทีมันก็ไม่ทุกข์ ต้องเข้าใจเวทนาทางกายสามชนิดด้วยกันแล้วก็ไม่ไปยุ่นวายกับมันมันสกนนุกก็ไม่วนวายมันทุกข์ก็ไม่วนวายมันไม่สุกมันไม่ทุกข์ก็ไม่วนวายครับ <c oughs> อีกข้อนึงครับอาจารย์เ อ, อถ้าเราจะสมมติว่าถ้าถ้าเรามีอ่าความอยากทางด้านการรับประทานอาหารเนี่ยครับแล้วทีนี้เนี่ยสมมติถ้าเราผ่านเรื่องเรื่อง เรื่องการมาราคาได้เนี่ยมันมันหมายความว่าเราเมื่อเรามีความอยากขึ้นมาเนี่ยป๊บเราสามารถที่จะใช้สติปัญญาเนี่ยที่เราอบรมมาอย่างดีวเนี่ยมามามาในเรื่องของของการแก้ปัญหาเช่นอาหารเลปติกูลคื อ, ค, อคือความเร็วในการในการแก้ปัญหานี่มันจะเร็วมากใช่ไหมครอาจารย์คือเหมือนเหมือนจะต้องมีความอยากขึ้นมาก่อนไม่ว่าคุณจะปฏิบัติถึงถึงเลเวลไหนกัแล้วแต่เนี่ยมีความอยากเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ มีสติปัญญาในการที่จะใช้ใช้อาหารเลพริกูลสัญญาเนี่ยในการที่จะคาควรทำลายมันออกไปใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็มันเป็นโรคภัยแค่เจ็บที่มีหลายชนิดด้วยกันยาที่จะรักษาก็ต้องเหมาะกับโรคภัยแค่เจ็บถ้าเป็นโรคปวดศีรษะก็ต้องยาแก้ปวดศีรษะโรคปวดท้องก็ต้องยาแก้ปวดท้องจะเอา อย่างใดยังมาม า, มาเปลี่ยนใช้กันไม่ได้ปวดท้องกิญญาลักกินญารักษาโรคปวดศีรษะมันก็ไม่หายถ้าเป็นเรื่องของความอยากในอาหารก็ต้องพิจารณาอาหารเลยปฏิกูิรสัญญาถ้าความอยากในการมารวมอยากจะร่วมรับนอนอยากจะมีแฟนก็ต้องพิจารณาอสุภะมันถึงจะหาย ไม่ใช่อยากมีแฟนแล้วก็พิจารณาหาเลยปฏิกรรสัญญามันก็ไม่หายเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันเป้าหมายมันคนละเป้ากันปัญหามันมีหลายเป้าหมายเราต้องไปแก้เป้าหมายนั้นที่มันเห็นว่าสวยว่างามกลายเป็นไม่สวยไม่งามให้เห็นว่าหน้าอเ็ดอร่อยหน้ากินเป็นเป็นไม่น่าไม่น่ากินไม่น่าดูไม่ไอะเ็ดอร่อยเนี่ยมัน แล้วแต่ว่าตัณหามันตั้งเป้าอยู่ตรงไหนเราต้องไปแก้เป้าให้มันเห็นภาพจริงอย่าไปให้มันเห็นภาพลวงตอนนี้มันเห็นภาพลวงเห็นร่างกายก็เห็นว่าสวยว่างามเราก็ต้องไปแก้เป้านั้นให้กลายเป็นไม่สวยไม่งามเห็นอาหารว่าน่ารับประทานน่ากินน้าดื่มก็ต้องไปเห็นว่ามันไม่น่ารับประทานไม่น่าดื่มนั่นหละมันถึงจะแก้กันได้ ก็คือสิ่งที่ผมเข้าใจคือว่าถึงแม้ว่าจะบรรลุเป็นอนาคามีก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีความอยากเกิดขึ้นมาก่อนนิดหนึ่งอย่างเช่นเห็นเพนผู้หญิงที่มาแล้วสวยขึ้นมาเราเราเห็นแล้วเรามีความความความอยากนิดหนึ่งเสร็จแต่แต่เรามีอสาสวะสัญญาในในการมาทําลายโดยฉับพลันอันที่ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับคือถ้ามันมีมันเป็นทําลายไปต่อไปมันก็ไม่ขึ้นมาเลยเหมือนคุณอยากเดินสู่บุรีแ้วทุกครั้งคุณเห็นว่ามันต้องเป็นโลกมะเรงเนี้ย มะเร็งในปอดจากการสูบบุหรี่เนี่ยต่อไปคุณก็ไม่อยากจะสูบถ้าคุณเห็นนะัสสุภาอยู่เรื่อยๆต่อไปคุณเห็นยังไงก็ไม่มีเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเพราะเห็นแต่สุภามันไม่เห็นเพียงแต่ว่าที่เขาบอกให้เราย้อนเกล็ดดูทดสอบใจดูลองดูไอ้ภาพสวยๆงามๆดูแล้วดูว่าไอ้ตัณหามันจะเกิดหรือเปล่า เรื่ว่ามันเราคิดว่ามันตายแล้วมันตายจริงหรือเปล่าถ้าดูสวยๆงามดูยังไงมันก็ไม่เกิดมันก็รู้ว่ามันตายจริงถ้าดูแล้วมันเกิดมันก็รู้ว่ามันยังตายไม่จริงก็ต้องกินยาต่อไปจนกว่าโรคจะหายขาดหยุดกินยาสักพักดูที่มเป็นยังไงพอหยุดกินยาสักพักไข่กลับมาก็แสดงว่าอยังไม่ตายเน่อะต้องกินยาต่อไป เชื้ออีโบลายังไม่ตายครั บ, รบนั่นก็คื อ, อสมมุติถ้าเราเห็นผู้หญิงสวยเนี่ย mm hmm. บางท่านก็จะบอกว่าเขาจะดิอสุภาสัญญาเขาสามารถที่จะเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้เป็นหน้าเละเละจริงๆด้วยตาเนื้อ mm hmm. เห็นจะจ่เราจะไม่ต้องขนาดนั้นไหมครับหรือว่าเราแค่ใช้สัญญาแล้วแต่ใครแล้วแ ต, แวแต่แล้วแต่วิธีไหนก็ขอให้มันดับการอารมณ์ได้ไม่มีการอารมณ์ก็ใช้ได้นะแต่ละคนอาจจะมีวิธีอุบาย ของการปฏิบัติไม่ไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายอันเดียวกันคือคือดับกามอารมณ์ดับกามาราคะขอบพระคุณมากครับต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากผู้ฝากถามถ้าคนเป็นนี่และถ้าเรายังใช้นี่ไม่หมดถ้าตายไปเกิดใหม่เราต้องไปเป็นนี่เขาอีกหรือเปล่าคะ <laughs> ถ้าพูดตามหลักทําหลักกรรมมันก็ต้องเป็นต่อไปล่ะันนี้ไม่พ้นเป็นนี้เขาชาติหน้าก็ต้องไปถูกเข้ามาถ่วงนี้อยู่ดีทํากรรมบรรดาไว้ก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นเช่นต่อชาติหน้าคนมายืมกู้นี่ยืมสินแล้วแล้วเขาก็ไม่ใช้เราตายจากเราไปก่อนมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นขอให้มันคิดว่าเป็นเหมือนภาพที่เราเห็นในกระจกก็แล้วกัน เราเรายิ้มใส่กระจกกระจกมันก็ยิ้มใส่กลับมาเราหน้าเบื่งใส่กระจกกระจกมันก็จะเบื่งกลับมาเราชี้หน้ามันมันก็ชี้หน้าเราดัน้นเราทําอะไรกับกายไว้เดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาทํากับเราให้คิดอย่างนั้นก็แล้วกันคําถามต่อไปการที่เรากินกาแฟเพราะเราง่วงนอนไม่ได้กินเพราะความอร่อยหรือความอยากถือเป็นกิเลสไหมครับ ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกไม่ถูกทางคือมันแทนที่จะแก้แล้วทำให้ความอยากมันหายไปมันกลับทำให้ไปติดกาแฟขึ้นมาได้งั้นวิธีแก้ความง่วงนอนก็มีวิธีที่แก้แล้วจะไม่มีทำให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็คือให้การอดอาหารานี้หรือการไปอยู่ที่หน้ากัวมันจะไม่มีมันจะไม่ติดพอหายแล้วมัน มันก็เลิอกอดได้เลิกไปอยู่ในที่น่ากลัวได้มันจะไม่ติดไม่เหมือนกับแก้ด้วยการดื่มกาแฟก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ง่วงก็ต้องดื่มกาแฟแล้วยิ่งมีปัญหาวันไหนเกิดไม่มีกาแฟดื่มยิ่งง่วงใหญ่สงเท่าคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งที่หลวงพ่อแสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่เก้าเรื่อง ปฏิจจะสมุดบาทและวันอาทิตย์ที่สิบเรื่องอริยสัจสี่ที่ผ่านมาทั้งสองเรื่องก็คือวิธีการดับทุกข์วิธีการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใช่หรือไม่ค ะ, สะแสดงว่าปัญญาทุกข์สแสดงต้องสองชั่วโมงยังมาถามอีกข้อที่สองทุกในอริยสัจสี่ คำว่าทุกต้องกำหนดรู้ในที่นี้หมายถึงทุกใจใช่ไหมคะและมีสมูทัยเป็นสาเหตุทำให้ทุกคือกรรมตันหาภาวะตันหาและพิวิภาวะตันหาถูกต้องไหมคะถูกต้องข้อที่สสาเหตุของความทุกข์ใจความไม่สบายใจความว้าวุ่นขุ่นมัวเกิดจากปัญหาคือความอยาก ทั้งอยากในกาะตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาและดับทุกนั้นก็ดับด้วยอาหาเลปฏิกูลสัญญาหรืออสุภะหรือไตรลักษณ์แต่การดับได้ชั่วคราวดับเฉพาะหน้าคือเมื่อเวลาปัญหานั้นเกิดหรือการดับได้ถาวรคือในอนาคตหากเจอปัญหานั้นก็จะไม่ทุกข์ใจกับเรื่องนั้นอีก ซึ่งการดับทุกข์ใจนั้นขึ้นอยู่กับกำลังสมาธิที่ไปสนับสนุนปัญญาใช่ไหมคะสมาธิก็มีส่วนสนับสนุนแต่ผู้ที่จะทำลายความทุกข์ทำลายตัณหาได้ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นข้อที่4จากการปฏิบัติมานี้จะเห็นว่าปัญญาอบรมสมาธิคือการพิจารณาไตรลักษณ์ อาหารเลปฏิกูลสัญญาหรืออาสุภะในขณะที่กำลังฟุ้งซ่านไม่สบายใจก็เพื่อดับปัญหาเฉพาะหน้านั้นๆเพื่อให้จิตใจเป็นปกติเพื่อให้ง่ายต่อการกำหนดให้อยู่ในอารมณ์เดียวเพื่อให้เข้าสู่ความสงบคือขั้นสมาธิใช่หรือไม่คะแต่ยังไม่เป็นปัญหาที่จะนำไปสู่การ ตัดปัญหานั้นๆได้อย่างถาวรเพราะยังไม่มีกําลังสมาธิเข้ามาสนับสนุนมันก็ขึ้นอยู่กับปัญหาถ้ามันเป็นปัญหาที่ที่เกี่ยวกับการบรรลุเป็นวิปัสสนามันก็เป็นวิปัสสนาได้เช่นเราเกิดเกิดความกลัวตายไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งจะต้องตายไปในสามเดือนแล้วเราพิจารณาร่างกายว่ามันเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วเราปล่อยวางมันได้เราดับความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตายได้มันก็จะเป็นวิปัสสนาไปด้วยเลยเป็นสมาธิด้วยแล้วก็เป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาไปพร้อมๆกันเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับเรื่องของวิปัสสนาคือความหลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรามันก็จะละสังโยชน์ได้ถ้ามันละสังโยชน์ได้มันก็จะเป็นวิปัสสนาไป แต่ถ้ามันพิจารณาที่มันไม่ได้ละสังโยชน์เช่นมีปัญหาเรื่องกู้หนี้สินเงินทองจะต้องถูกยึดบ้านยึดอะไรก็ เ, เสียดายวุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้แต่พอพิจารณาว่าลาบยศสรรเสริญก็เป็นของชั่วขราวมีเจริญเสริมเป็นธรรมดาถึงเวลามันเสื่อมให้มันเสื่อมไปใครจะยึดบ้านก็ยึดไปใจก็สงบเป็น ปกติได้อย่างนี้ไม่ได้เป็นวิปัสนามันไม่ได้ละสังโยชน์มันเพียงแต่มาระปัญหาเฉพาะหน้าคือปัญหานี่สินนี่เองนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ปัญหาที่ทําให้ใจไม่สงบแล้วเราใช้ปัญญาไประงับมันถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องของสังโยชน์เนี่ยมันก็จะทําให้เป็นวิปัสนาเป็นการบรรลุธรรมด้วย แล้วแต่ปัญหาเจนเวลาเจอทุกขเวทนาเงี้ยนั่งพิจาจรณาเดี๋ยวนั่งปล่อยวางทุกขเวทนาได้จิตรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างนี้มันก็จะเป็นวิปัสสนาเพราะมันละสังโยน์คืออออะไรสักกาะยะทิจิที่ไปถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตามันก็ละสังโยต์ได้ไปพร้อมๆกัน ดังน้นปัญญาอบรมสมาธิก็มีสองระดับระดับโลกุตระกับระดับโลกิยะระดับโลกิยะก็คือแก้ปัญหาเพื่อทําให้ใจกลับมาเป็นปกติแต่ไม่ได้ไปตัดละสังโยต์ที่จะทําให้จิตบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมามันก็มีสองแบบข้อที่ห้าภาวนามาย์ปัญญาที่เป็นปัญญาดับทุกอย่างถาวรคือเมื่อมีปัญหา ที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจนั้นเกิดขึ้นมาอีกจิตใจจะไม่กระเพื่อมจะไม่หวั่นไหวไปกับปัญหานั้นๆใช่หรือไม่คะเพราะถ้ายังกระเพื่อมยังหวั่นไหวก็แสดงว่ายังไม่เป็นปัญญาจริงถ้าเป็นเรื่องเดียวกันถ้ามันเป็นปัญญาจริงมันก็จะไม่หวั่นไหวซ้ําซากแต่ถ้าเป็นคนละเรื่องมันก็ยังหวั่นไหวได้เพราะมันยังได้มันยังไม่ได้ปล่อยวางยังไม่ได้พิจารณา ฉานอาจจะปล่อยวางเรื่องทรัพย์สมบัติได้แต่ยังปล่อยวางเรื่องเกียรติยศไม่ได้ยังหวงตำแหน่งยังอยากเป็นนายกอย่างนี้จนก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นนายกอย่างี้อันนี้มันก็ยังต้องไปพิจารณาเรื่องความเสื่อมของราบของยศต่อไปก็เห็นพิจารณาว่าเป็นนายกก็ต้องเสื่อมเหมือนกันแล้วละได้ต่อไปเวลากลับมาเป็นใหม่ก็จะไม่เดือดร้อน แล้วพอจะต้องเสื่อมจะต้องพ้นจากเก้าอี้กะพ้นไปอย่างสบายไม่เดือดร้อนอะไรข้อที่6การทำการบ้านปล่อยวางทุกขเวทนาร่างกายด้วยการนั่งสมาธินานๆอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายทำมากๆทำบ่อยๆก็เพื่อให้เกิดความเคยชินและเพื่อฝึกใจให้ปล่อยวางความเต็บเจ็บปวดใช่หรือไม่คะ คือต้องเห็นอริยสัจ ท, ที่เกิดจากความเจ็บปวดของร่างกายต้องเห็นว่าใจทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายเพราะเกิดมีความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บปวดแต่พิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็เห็นว่าห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ก็ต้องทําใจอยู่กับความเจ็บปวดไปไม่ดิ้นหนีถ้าทําใจได้ร่างกายจะเจ็บปวดขนาดไหนก็จะไม่มากระทบกระเทือนใจ นี่คือเป้าหมายต้องเห็นอริยสัจถึงจะเรียกว่าเห็นธรรมจริงถ้านั่งไปบัด ท, ทนไปแล้วก็มันหายไปแต่ไม่เห็นการทํางานของกิเลสตัณหาเห็นการทํางานของทุกขสมุทัยนิโรธมากอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการบรลลุธรรมซึ่งคนบางคนเข า, เ, าเขาก็ทําได้อย่างพวกฤาษีชีพายที่เขาทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆ นั่งบนก้อยนั่งบนที่นั่งแหลมคมเออหรือพวกที่เอาเหล็กเอาของแหลมของคมมามาอะไรมาเสียบมาปักในร่างกายเขาก็ใช้ความอดทนเท่านั้นเองแต่เขายังไม่เห็นอริยสัจเขาก็ยังไม่บรรลุธรรมทุกครั้งที่เขาเจอมันเขาก็ยังกลัวมันอยู่ยังอยากให้มันหายอยู่เพียงแต่ว่าใช้ใจสู้เอาใช้ความอดทนสู้กับมันไปเท่านั้นเอง แต่ถ้าเขาใช้ปัญญาแล้วต่อไปก็จะเจ็บนั่งกายจะเจ็บอย่างไรใจเขาจะไม่เดือดร้อนเพราะเขาไปถอดไอ้รหัสให้ถอดตัวที่ไปสร้างความทุกข์ใจได้ก็คือความอยากให้ความเจ็บต่างๆหายไปข้อที่เจ็ด ถ้าหากเคยชินกับความเจ็บปวดจากการนั่งสมาธิที่พัฒนาจากหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงไปจนถึงเจดถึงแปดชั่วโมงซึ่งเป็นช่วงเวทนาใหญ่เปรียบเหมือนช้างเหยียบอย่างที่หลวงตาบอกเมื่อปล่อยวางความเจ็บได้ขนาดนั้นแล้วแสดงว่าจิตจะเข้าสู่สมาธิได้อย่างอัตโนมัติใช่ไหมคะ ถ, ถ้าจิตปล่อยวางตัณหาได้มันก็เข้าสู่ความสงบเพราะความทุกข์ไม่มีนิโรธก็คือความสงบของใจจิตต้องปล่อยวางตัณหาต้องใช้ปัญญาปล่อยถ้าใช้ขันติใช้สมาธิใช้สติปล่อยก็มันก็ยังไม่เป็นมันก็ยังไม่เป็นปัญญายังไม่ถาวรอยู่ดีก็ต้องใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งเวลาเจอความเจ็บความปวดก็ต้องใช้สติใช้ขันติมาข่ม อย่างเรียกว่าขม่มข่มจิตแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปตัดกิเลสตัณหาถ้าอยากจะตัดกิเลสตัณหาต้องใช้ปัญญาแยกแยะให้เห็นว่าความทุกข์ของร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ใจไปห้ามไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ไปอยากไม่ได้นะต้องปล่อยถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะใจมันจะสงบมันจะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายอีกต่อไปไม่ว่าจะ จะเจ็บแบบไหนก็ตามตัญหาไม่มีแล้วใจจะไม่เจ็บนะอที่8การทำการบ้านปล่อยวางทุกขเวทนาทางร่างกายก็เป็นเหมือนการซ้อมรับมือกับความเจ็บปวดก่อนตายใช่หรือไม่คะและเวทนาเจอทุกขเว แล้วเวลาเจอทุกขเวทนาทางร่างกายก่อนตายจิตใจจะปล่อยวางอัตโนมัติเพราะได้ฝึกซ้อมจนเคยชินใช่หรือไม่คะถ้าซ้อมไปในแนวทางของอริยสัจ ส, สีมันก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นการแก้ปัญหาอย่างถาวรถ้าซ้อมไปในแถวแนวทางสมถทแนวทางสติขันติขมใจมันก็จะไม่ถาวรข้อที่9 ถ้าเราไม่มีสติควบคุมใจเวลามีอะไรมากระทบที่ทำให้ไม่พอใจไม่ถูกใจเราเราก็จะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้เราอาจจะเผลอก็ดีหรือตั้งใจก็ดีแสดงกิริยาความไม่พอใจไม่ศพอารมณ์ออกมาทั้งทางการกระทำหรือคำพูดใช่หรือไม่คะปฏิกิริยาโต้ตอบที่แสดงออก หลังมีสิ่งมากระทบใจนี้เป็นตัววัดระดับสติปัญญาของนักปฏิบตัติหรือเรียกง่ายๆว่าการแสดงออกบ่งบอกระดับธรรมของนักปฏิบัติใช่หรือไม่คะใช่ก็ถ้ามีสติมันก็จะควบคุมปฏิกิริยาต่างๆได้ใจก็จะเป็นอุเบกขาตลอดเวลานการพูดการจาะไรก็จะเป็นไปแบบปกติไม่มีอารมณ์ต่างๆ แต่ก็ไม่ใช่เป็นเครื่องวัดคนวัดใจของผู้พูด ผ, ผู้แสดงนั้นเสมอไปเพราะบางทีผู้พูด ผ, ผู้แสดงถึงแม้ไม่มีอารมณ์แต่ก็ต้องแสดงกิริยาการเหล่านั้นออกมาเพื่อเป็นการปราบเพื่อเป็นการขม่มขู่ถ้าไม่ปราบไม่ขม่มขู่ก็จะลุกลามไม่เก่งอกเก่งใจครูบาอาจารย์บางทีก็ต้องดุด่าว่ากล่าวถ้าไม่ดุด่าว่ากล่าวก็เดี๋ยวจะ ได้ใจจะไม่กลัวไม่เกรงถ้าพูดดีๆ ก, ก็จะไม่เกรงใจไม่กลัวแต่ถ้าพูดแบบโหดร้ายดุร้ายหน่อยฟังแล้วกลัวขึ้นมาอันนี้ก็เปนเหมือนแบบเชือดไก่ให้เล็งดูอ่านยัเท่านั้นเองแต่ใจของท่านก็ยังเป็นปกติอยู่แต่การแสดงออกมาเป็นเพียงกิริยา เห็นบางทีหลวงตาด่าพระนี่มันก็โกรธเกลียดกันขับไล่กันองคนี้ไม่ได้เรื่องเลยมาอยู่ทําไมที่วัดนี้มาอยู่ทําให้วัดเสียหายเสื่อมเสียไปดีกว่าอย่าอยู่เลยคูดอย่างนี้นี้จะไปแสดงว่าท่านไม่มีสติมีอารมณ์หรือเปล่าอันนี้ก็พูดไม่ได้เพราะท่านอยู่ในหน้าที่ที่จะต้องแสดงกิริยาการเหล่านั้นออกมาเพื่อขม่มขู่เพื่อปราม กิเลสของลูกศิษย์ลูกหาของผู้ที่มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะกูบาจารย์งรูปท่านใจดีลูกศิษย์ลูกหาก็เลยลามปลาลมกันใหญ่ออกลวดออกลายกันตีกันฟาดกันสมัยที่มีการฉลองวัดอสการามท่านพ่อรีท่านจัดงานเรื่องฉลองเกือบศตวรรษนึง 2,500 มีญาติโยมไปร่วมกันทําบุญมีพวกแม่ครัวอค้าอะไรไปช่วยกันทําครัวแล้วก็ไปแตกแยกเป็นสองพวกกันแล้วนะทะเลาะกันแล้วนะพานไม่ยอมทํากับข่าวเลี้ยงพานเล ย, ยท่านหลวงพ่อหลีก็รู้ว่าคนที่จะมาแก้ปัญหานี้ต้องเป็นหลวงตาเท่านั้น <c oughs> ท่านก็เลยส่งหลวงตาให้ไปเจราจาหยาบสึก <c oughs> หลวงตาไปถึงก็ชี้หน้าบอกพวกเธอนี่กําลังจะเป็นเหมือนหมารู้เป่ะ อมาทะเลาะกันพวกเรามาทําอะไรกันพวกเรามาทําบุญกันไม่ใช่เหรอแล้วนี่มันเป็นการทําบุญเหรอมาทะเลาะกันมาทําให้งานของหลวงพ่อท่านเสียหายอย่างนี้รู้ไหมว่าถ้าพวกเราทําอย่างนี้หลวงพ่อท่านจะทําอะไรท่านก็จะแบกโกรธแบกบายของท่านออกจากวัดไปทันทีเท่า น, นั้นแหละพอพูดอผู้นี้เขาก็ได้สติกลับคืนมาอยอมกันแล้วกลับมาทําหน้าที่ของตนต่อไป ข้อที่สิบกระบวนการดับทุกในขั้นที่สมาธิยังไม่มีกำลังมากยังไม่ถึงอั ป, ปนาสมาธิหากมีความทุกข์ใจหรือจิตใจกระเพื่อมวันไหวก็รีบพุทโธเพื่อควบคุมความคิดไม่ให้ปรุงแต่งเลยเถิดพอใจสงบจากความฟุ้งซ่านปรุงแต่งแล้วหากมีเวลาว่างไม่ต้องทำภารกิจการงานอื่นก็ควรเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ เพื่อควบคุมใจให้เข้าสงบแบบนี้เป็นวิธีคิดที่ถูกต้องไหมคะก็ต้องทำใจให้สงบเวลาเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องใช้สติเป็นตัวทมเช่นบริกรรมพุทธโธนับ123องาท่องอาการ32มสิวดมนต์ไหว้พระทำอะไรที่ไม่ทำให้เราไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายขึ้นมา พอใจลืมคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นใจก็กลับมาเป็นปกติได้แล้วก็เราก็สามารถบำเพ็ญเจริญส ต, ติต่อไปเพื่อให้นั่งสมาธิให้จิตรวมเข้าสู่อปนาได้คำถามต่อไปจากคุณสิทธิชัยข้อที่หนึ่งถ้าถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนำเงินมาทำบุญบุญนั้นจะสมบูรณ์ไหมครับจะถือว่าได้มาโดยการเล่นการพนันหรือเปล่า คือการการการซื้อสลากกินแบ่งก็เป็นเหมือนกับการเสี่ยงโชคก็ไม่ได้เป็นถือว่าเป็นการเล่นการพนันถ้าเราซื้อใบเดียวแล้วมันถูกแต่ถ้าเราซื้อร้อยใบแล้วหวังอยากจะได้อย่างนี้มันก็จะเรียกว่าเป็นการเล่นการพนันก็ได้ที่ไม่ให้เล่นการพนันก็กลัวว่าเงินจะหมดมากกว่าจะได้เท่านั้นเองแล้วพอเงินหมดเราจะไปทำบาปด้วยหาเงินมาใหม่ด้วยการทาบาป แต่งานที่ได้มาจากการเล่นสลากกินแบ่งเล่นหุ้นเล่นหวยเล่นการเงนนั้นเอามาทาบุญก็เป็นบุญเหมือนกันเพราะมันไม่ได้เป็นบาปมันไม่ได้มาจากการทำบาปในกาการเอาเงินมาจากการทำบาปก็เป็นบุญเหมือนกันเช่นไปขโมยเงินคนอื่นมาแล้วมามาทำบุญเนี่ยมันก็ได้บุญเพียงแต่ว่าบาปที่ได้มาก็ได้บาปด้วยการทำบุญนี่ไม่ได้ไปลบล้างบาปที่ทามา เท่า น, นั้นเองบาปก็ต้องใช้แต่บุญก็จะได้รับเพียงแต่ว่ามันไม่คุ้มกันได้ไม่คุ้มเสียเพราะโทษของบาปมันแรงกว่าผลของบุญยังไม่ควรทำเท่านั้นเองข้อที่สองผมเห็นมีคนถวายผ้าสบายห่มพระพุทธรูปที่ปราณีเจ็บเครื่องประดับสวยงามที่บนผ้าถือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับ แล้วจะมีอันนี้ส่งมากมายขนาดไหนครับการถวายสิ่งต่างๆแก่พระพุทธรูปนี้เป็นเรียกว่าเรียอมิสบูชาเช่นเราเอาผ้ามาผ้าสบายมาห่มหรือ ว, ว่าปิดทองหรือว่าทูบ เ, เทียนจุดทูบเทียนดอกไม้อะไรเหล่านี้ถ้าเรียกว่าเป็นอมิสบูชาเป็นการบูชาก็เป็นมงคลอย่างหนึ่ง แต่พระองค์ทรงแต่ทว่าสู้การปฏบิบัติบูชาไม่ได้เพราะการปฏบิบัติบูชานี้จะเป็นมงคลที่สูงกว่าเพราะว่าการปฏิบัติเท่านั้นที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้การบูชาด้วยอเิศวบูชานี้ไม่สามารถดับความทุกข์ไม่สามารถทําให้เราหลุดพ้นได้ข้อที่สาม อานิสง์ของการบริจาคของที่เป็นโลหะเช่นบาทเข็มใบมีโกนจะมีอานิสง์เกี่ยวกับปัญญาบารมีใช่ไหมครับไม่เกี่ยวเรื่องของทานก็เรื่องของทานเรื่องของปัญญาก็เรื่องของปัญญาคนละเรื่องกันถ้าอยากจะได้อานิสง์ทางปัญญาต้องฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ถวายถวายพระตัยบิดกถวาย อันนี้ก็ไม่ได้ปัญญาอยากจะได้ปัญญาต้องอ่านพระไตรปิฎกที่เราถวายนั่นแหละเนี่ยล้วไปถวายพระเอามาอ่านอ่านก่อนแล้วไปถวายอย่างนี้ถึงจะได้ปัญญาบางคนบอกว่าถวายเทียนเราจะได้ปัญญาเพราะได้แสงสว่างอันนั้นก็ไม่ใช่ล่ะเป็นความเข้าใจผิดเป็นการเปรียบเปรยนั้นเองเห็นว่าเทียนเป็นแสงสว่างก็เลยคิดว่าเป็นเหมือนกับเป็นแสงสว่างที่งทำไป แสงสว่างแห่งเทียนกับแสงสว่างแห่งธรรมมันคนละเรื่องกันแสงสว่างแห่งธรรมนี่ต้องเกิดจากการภาวนาเกิดจากมั่ว้ภาวนาไม่ยับปัญญางั้นต้องเข้าใจถูกนทําทานก็จะได้ทรัพย์กลับมาให้อะไรไปก็จะได้สิ่ง น, นั้นกลับมาทําบาปก็จะได้บาปกลับมาได้โทษกลับมาคําถามต่อไปจากคุณกระโหนพรข้อที่หนึ่ง ถ้าดิฉันเดินตรงกลมหรือนั่งสมาธิเวในเวลาค่ําเมื่อเห็นว่าท้องฟ้ามืดแล้วดิฉันจะหลับทุกทีหรือดิฉันตั้งใจว่าจะเดินจงกรมตอนสามทุ่มแต่พอเข้าไปในห้องแอร์ครู่เดียวดิฉันก็เปลี่ยนใจนอนหลับทุกทีดิฉันควรจะแก้ไขยอย่างไรดีคะจึงจะทําความเพียรได้สําเร็จก็หนึ่งก็อย่าไปใช้ห้องแอร์อย่าไปติดแอร์ใช้ อากาศธรรมชาติสองถ้ายัางง่วงนอนอยู่ก็ต้องผ่อนอาหารลดอาหารเช่นเบื้องต้นก็ถือศินแปดไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้ายัางไม่หายง่วงก็ต้องผ่อนอาหารอาจจะรับประทานเพียงครั้งเดียวต่อวันถ้ารับประทานครั้งเดียวต่อวันยังง่วงอยู่ก็ต้องลองอดดูไม่ช้าก็เร็วมันก็จะหายง่วงเองข้อที่สอง มารดาและครอบครัวจะทําไก่พะโล้ถวายพระหนึ่งลูกตอนแรกมารดาว่าจะถวายไก่พะโล้หนึ่งตัวเลยแต่พอเราคิดกันว่าพระหนึ่งลูปถวายไก่พะโล้เพียงพอแค่พระฉันหนึ่งลูกก็พอแล้วดังนั้นหลังจากทําเสร็จดิฉันเป็นคนตักแบ่งพะโล้ขณะต่าง ตักแบ่งใจก็นึกว่าใ ส, เ น, ใสเนื้อไม่ใสเนื้อไม่มากก็พอเพราะพระแค่รูปเดียวคนอื่นเขาก็ถวายอาหารพระฉันไม่หมดพอคิดแบบนี้แล้วเวลาตักแบ่งอาหารก็ไม่พยายามตักส่วนที่ดีที่สุดถวายพระและไม่ตักเยอะๆอย่างนี้ดิฉันจัดว่าเป็นคนตรณีถีเหนียวไหมคะดช่ <laughs> เขาถามต่อว่าแต่ถ้าตั้งใจถวายทั้งตัวทั้งหมดเลยดิฉันกลับไม่รู้สึกเสียดายยินดีตักยกหม้อให้เลยแต่พอตักแบ่งบางส่วนกลับรู้สึกเสียดายดิฉันจะมีวิธีแก้จิตโลภตรนีที่เหนียวอย่างไรดีคะก็ตัดยกไปทั้งหมดหม้อเลยยกไปทั้งหมดหม้อเลยไม่ต้องกลัวหรอกของเหลือเดี๋ยวถ้าท่านก็ให้ญาติโยมกลับไปกินอยู่ดีแหละของไม่เสียหรอก คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณเอกิดเมื่อหลายปีก่อนผมยืนใคร่ควรข้อธรรมเรื่องไตรลักษณ์แล้วกำหนดจิตดูที่ใจตรงกลางอกเหมือนจิตมีกำลังแหวกลงตรงกลางอกแล้วจิตไปเห็นจิตว่าถูกครอบกักขังไว้เมื่อจิตเห็นทางออกแล้วก็ออกจากที่ครอบนั้นซึ่งข้างนอกเหมือนมีกระแสพลังงานอยู่เมื่อจิตนั้นได้ออกมาแล้ว จิตได้ดับพรึบไปรวมกับกระแสพลังงานและธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวและแพร่กระจายออกไปไกลมากๆคล้ายๆเหมือนเกิดใหม่ก็ว่าได้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเร็วมากและก็รู้ข้อธรรมว่านิพพานคือที่ที่ไม่มีขันและขันห้าเหมือนคุกเคลื่อนที่มีปิติทั้งๆ ท, ง ท, งที่ไม่ได้นั่งสมาธิกำลังจิต ด, ดีและไวมาก บางครั้งจิตรู้ก่อนที่จะคิดอะไรมากระทบก็แผลก็แค่ผิวไม่ถึงที่ใจเป็นอย่างนั้นอยู่สามถึงสี่วันและกำลังจิตนั้นค่อยๆ ค, ค, คลายจางกลับมาเหมือนคนปกติประมาณยี่สิบวันคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นใช่การกระทำใช่การเข้ากระแสธรรมเป็นพระโสดาบันหรือไม่ครับไม่ใช่หรอกถ้าจะเข้าต้องเห็น เห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์ที่เกิดจากสักกายทิฏฐิเกิดความอยากในร่างกายคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราคิดว่าขันห้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเราของเราเราสั่งมันได้สั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้อย่างนี้ถึงจะเห็นเห็นเห็นทำเห็นอริยาาสัจที่เข้าสู่กระแสะต้องเห็นการทํางานของอริยสัจสี่ทั้งฝ่าย ผูกมัดและฝ่ายแก้ฝ่ายผูกมัดก็คือสมุทัยกับทุกข์ฝ่ายแก้ก็คือมัด ก, กับนิโรธต้องเห็นว่าจิตนิโรธเกิดปรากฏนิโรธขึ้นมาด้วยปัญญาด้วยการละตันหาฝ่ายผูกมัดฝ่ายก่อเหตุฝ่ายทำที่ทำให้เกิดทุกข์เหมือนเราเห็นกองไฟแล้วเราเอาน้ำไปดับไฟแล้วเรารู้ว่าต่อไปเวลาเกิดไฟขึ้นมาเราก็จะรู้จักวิธีดับเสมอไป เวลาเกิดไฟขึ้นมาในใจเราก็จะใช้ไฟคือปัญญามะใช้น้ําคือปัญญามาดับไฟนี้เสมอเพียงแต่ว่าไฟที่ไหม้อาจจะเป็นเชื้อเพลิงต่างกันถ้าเป็นเชื้อเชื้อฟืนเชื้อไฟก็ใช้น้ําได้ถ้าเป็นน้ํามันนี้อาจจะใช้น้ําไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีดับไฟแบบใหม่อาจจะใช้ทรายใช้อะไรมากบมันอันนี้ก็เหมือนกันไฟความทุกข์ของใจที่เกิดขึ้นจาก เหตุนั้นจากเชื่อเพลิงนี้มันหลายมีหลายเชื่อเพลิงด้วยกันสังโยชน์สกายาทิฐิก็ต้องดับด้วยด้วยไตรักษ์เนี่ยการมาลาคะนี่มันเป็นเชื่อเพลิงอีกชนิดหนึ่งจะใช้ใช้ไตรักษ์มาดับมันไม่ดับมันก็ต้องใช้อสุภาษมันถึงจะดับนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นการบรรลุธรรมต้องเห็นการทํางานของอริยสัจสีเท่านั้น เห็นว่าทุกข์ใจเกิดขึ้นมาเพราะตั้หาความอยากความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวเราของเราหรือไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้น่าน่าดูน่าชมน่าสวยน่าเอามาเป็นสมบัติเนแล้วเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญามาแก้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่สวยไม่งามมันก็จะหยุดตั้หาความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไป อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเข้าสู่กระแสะของธรรมกระแสะของธรรมก็คือกระแสะของอริยสัจสีนี่ต้องเห็นอริยสัจสี่คำถามต่อไปจากคุณทิติทิฟย์ทำไมนักปฏิบัติถึงได้ถูกทดสอบโดยมารข้างนอกหรือคนทั่วไปซึ่งถ้าเราทำจิตให้ดูว่าธรรมดาธรรมชาติแล้วก็ผ่านไปแต่ก็มีบททดสอบมา ท, ทดสอบเรื่อยๆยากขึ้น หนักขึ้นเหมือนการเรียนรู้เป็นขั้นๆชั้นๆคะแล้วจะสิ้นสุดการถูกทดสอบจิตได้เมื่อไหร่คะก็เมื่อมีปัญญาแก้มันมีปัญญาก็จะแก้ข้อสอบทําข้อสอบต่างๆได้อย่างง่ายได้ถ้าไม่มีปัญญาก็ยังจะสอบตกอยู่คําถามต่อไปจากคุณลณชัยข้อที่หนึ่งถือศีลแปดใช้พ้าห่มปูแล้วนอนได้ไหมครับ ถ้าหมเพื่อถ้าปูเพื่อป้องกันความเย็นความหนาวเพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกายไม่ให้เย็นเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าทําอย่างนั้นก็ไม่ไม่ผิดศีลแปดแต่ถ้าปูเพื่อให้มันสุขให้มันสบายอย่างนี้ถึงเพราะบางทีพื้นมันไม่เย็นเช่นพื้นไม้นบางทีมันไม่เย็นแต่ถ้าพื้นปูนี้มันเย็นถ้ามันเย็นนี้มันจะดูด ความอบอุ่นของร่างกายออกไปจะทําให้ภูมิคุ้มกันโรคภัยแค่เจ็บมันต่ําก็จะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายถ้าปูเพื่อป้องกันโรคภัยแค่เจ็บนี้ไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลแปดแต่ถ้าปูเพื่อให้มันหลับสบายนิ่มเนอะอย่างนี้ก็ถือว่าผิดศีล8ดเพราะเป้าหมายของศีลแปดไม่ต้องการให้เรานอนมากเกินไปถ้านอนสบายแล้วมันจะนอนยาวถ้านอนไม่สบายมันก็จะนอนแค่พอ พักผ่อนนั่งกายได้มันก็จะลุกขึ้นมามาภาวนาต่อไปข้อที่สองถือศีลห้าแล้วนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยสองชั่วโมงมีโอกาสบรรลุธรรมไหมครับปัจจุบันจิตสงบแต่ไม่ค่อยมีกำลังในการเดินปัญญาหลังจากถอนออกจากสมาธิถ้าบรรลุธรรมก็ต้องออกทางปัญญาเท่านั้นถึงจะบรรลุธรรมได้ศีล ส, สมาธินี้ยังไม่ถือเป็นขั้นที่จะทาให เป็นธรรมที่จะทําให้เกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาได้การจะบรรลุธรรมได้นี้ต้องออกมาเห็นใจรักเห็นอสุภะเห็นปฏิกูลอย่างนี้ถึงจะบรรลุธรรมได้คําถามต่อไปจากคุณพีรพัฒนที่หลวงพ่อเคยเทศว่าใจเราก็เหมือนกล้องวิดีโอจะบันทึกทุกการกระทําไม่ว่าดีหรือไม่ว่าไม่ดีแสดงว่าใจบันทึกวิดีโอเฉพาะเวลามีร่างกายใช่ไหมคะ ก็ถ้าไม่มีร่างกายมันก็มันก็ยังมีตาทิพย์ผูทิพย์อยู่มันก็จะบันทึกก็ได้เช่นเวลาเราตายไปเราไปเกิดในสวรรค์เราไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆในที่สวยที่งามมันก็ฝังอยู่ในใจของเราเหมือนตอนที่เวลาเรานอนหลับแล้วฝันดีฝันดีตอนนั้นใจของเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายก็ใช้ตาทิพย์ผูทิพย์นี้ไป ไปสัมผัสกับรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ต่างๆก็มันก็จะบันทึกเข้าไปไว้ในใจได้เช่นเดียวกันคำถามต่อไปจากคุณภูมิเมื่อพุทธศาสนาสอนให้เราเละเว้นความชั่วละเว้นจากการมีมิจฉาทิฏฐิและอารมณ์อันเป็นทุกในทุกรูปแบบเพื่อสะสมบารมิสะสมบุญและมรรคผลสู่นิพพานถ้าเป็นไปในลักษณะนี้ คนที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดและไม่ต้องทํางานอะไรที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่นจะมีอานิสงส์และมีความพร้อมสู่นิพพานมากกว่าไหมครับคือคนที่จะไปนิพพานก็ต้องคิดเพียงแต่ให้คิดไปในทางอริยสัจสี่คิดไปในทางมรรคเท่านั้นถึงจะไปได้คนที่ไม่คิดเช่นพวกฤๅษีจีไพรที่เข้าฌานสมาบัติได้เขาก็ยังไปไม่ได้ เขาไปได้อย่างมากก็แค่ทํำขั้นฌ า, านรูปฌานเอารูปฌานที่ยังเป็นโลกิยะคือยังอยู่ภายใต้กฎของตายรักอยู่ที่จะต้องเสื่อมละหมดไปแล้วต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไป อ, อ, อ่าโอเคก็วันนี้เวลาก็เกือบจะเต็มที่แล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา